ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ส3สบัาบลังยา่าตอนที่สี่เงากรรมมหาปราสาทอัน ง, งดงามโอบรอบด้วยกำแพงแก้วภูเขาเงินภูเขาทองสองแสงวูบกว่าบาดตาณพระแท่นราชบัรลังทองคำบุรุษร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งกำลังทอดสายตาคมกริบ มองลงยางร่างสันเทาที่หมอบอยู่แทบเท้าขาดแต่องค์สุริยราชผู้ยิ่งใหญ่ปีนี้แห้งแล้งไว้เกินฝนไม่ตกหลายเดือนพืชผลขาดน้ำตายทั้งไรมีเพียงข้าวไม่กี่ธนนานติดยุ้งช้างขอส่งเหลือไว้ให้ลูกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค้าบังอาจคนต่ำช้าข้าไม่ตัดหัวเจ้าก็นับว่าเมตตามากแล้ว ลากตัวมันออกไปแล้วริดข้าวในบ้านมันมาให้หมดมาฮามาดเจ้าจงพาทหารไปคนให้ทั่วทุกบ้านบ้านไหนไม่ส่งสวยภาษีก็นนริดพืชผลไรนาของมันมาให้หมดแล้วบุรุษนั้นก็เหลือบมองไปที่ภูเขาเงินภูเขาทองลูกย่อมหลายปีที่เก็บสวยจากกระสดอภูเขานั้นก็ยังโตไม่ทันกับความโลภ ข้าจะต้องมั่งคั่งยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ใดในโลกนี้วันพรุ่งข้าจะยกทัพไปตีเทวราชนครพระขันแสงเพชรจะต้องตกอยู่ในเงื้อมือข้านับสิบปีของการรบพรุ่งทำสงครามนครกําปะมาขยายอาณาจักรกว้างใหญ่พระคลังหลวงเต็มล้นไปด้วยเพชรนินจินดา และสิ่งของมีค่าที่แย่งชิงมาจากแคว้นต่างๆอานิจจากระสัเปรียบดังโจรปล้นชิงแย่งทรัพย์สินบ้านเรือนของผู้อื่นโดยอ้างความชอบธรรมว่ามันคือสงครามเพื่อชาติราษฎรถูกเกณฑ์มาเป็นทหารร่วมรบล้มตายเกลื่อนกลาดบางคนพิการก็ถูกทอดทิ้งถูกรีดนาทาเร้นเก็บสวยอกร อ, อย่างหฤรโหด มีแต่กษัตริยราชและเหล่ามหาอำมมาต์เท่านั้นที่เสวยสุขอยู่ในวังแต่ทว่าเวลาแห่งการเสวยสุขในภพชาติมนุษย์ช่างสั้นนะักโดยเฉพาะถ้าความสุขนั้นตั้งอยู่บนคราบน้ำตาและเสียงสาดแช่งกลด่าของผู้คนจำนวนมาก <c oughs> หลายปีันผ่าน ระาวรกายของกษัตริย์หนุ่มใหญ่เริ่มอ่อนแอลงประชวรจนหมดเรี่ยวแรงแม้แต่จะทรงยกพระหัตถ์ขึ้นจับพระขันถูกลอบปรงพระชนโดยองครักษ์คนสนิทที่ไว้ว่างพระไทยตอนที่5เลือกพบ ความจริงที่ฉายภาพอยู่ตรงหน้าดั่งกระจกเงาสะท้อนกรรมเก่าสะกดบุรุษหนุ่มไว้ให้นิ่งงันอยู่เป็นเวลานานมูลเหตุแห่งทุกเขเวทนาอันยาวนานที่สร้างความชงนรบกวนจิตเขาตลอดมาได้ถูกฉเฉลยโดยผู้ที่ตอบโจทย์นั้นคือตัวเขาเขาเองเป็นผู้กำหนดเขาเองเป็นผู้ก่อ และกำลังถูกชาติพบเวียงกลับข้างมารับรสขมของการเป็นฝ่ายถูกกระทำบ้างผู้เบียดเบียนนั้นย่อมได้รับการเบียดเบียนต่อความคุมแค้นอาฆาตอันเกิดจากอุปาทานในอดีตที่สูงสักปรากฏคุกกรุ่นเหมือนถ่านไฟที่มอดไหมแต่ยังคงเหลือเชื้อสืบต่อให้เร่าร้อนทุรนทุรายเมื่อย้อนรำลึกถึงนั้นกำลังถูกน้ำหาบใหญ่สาดรดลงไป อดีตกษัตริย์หันมองกำแพงวางอีกครั้งหนึ่งด้วยความอาลัยรักในราชสมบัติอันตนเพียงก่อร่างมหานครกว้างใหญ่ที่เคยได้ครอบครองมาบัดนี้กลับเหลือเพียงพื้นดินที่สองเท้ายืนหยัดแต่กระนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยอัตตาที่ปรารถนาจะอยู่เหนือผู้อื่นเสมอเขาสู้ทนต่อคออําเย้ยหยันหอบหญ้ามรกองเป็นบรรลังเพื่อรองนั่ง เฝ้ารอวันนี้วันที่จะคืนสู่บรลังทองขอเพียงพากายเดินลอดผ่านอุโมงค์ลับแต่นั่นย่อมหมายถึงเขากำลังจะก่อกรรสาสองเพื่อเวียนกลับไปดุดเก่าเสียงหายใจฟืดฟาดและกลิ่นสาบสางที่โชยมาเข้าจมูกทำให้เขาเหลือบตาลงมองร่างที่หมอบอยู่เบื้องหน้าความหวงแหนอาลัยในราชสมบัติของกษัตริย์มนุษย์ อันหาเทียบค่าได้แม้เพียงเศษเสี่ยวผงทุลีของสวรรค์จะมีประโยชน์ใดเล่าแม้ที่พยาสมบัติของเทพยังดับสูญเมื่อหมดบุญมีหน่ำซ้ำถูกกรรมเก่าสัต์จุติลงมาเกิดเป็นสุนัขบุรุษหนุ่มมองสำรวจกายมนุษย์ตนอย่างเริ่มตระหนักถึงความโชคดี ระหนึ่งผู้หมอบอยู่เวื้องหน้าจะล่วงรู้ถึงความในใจของเขาร่างนั้นค่อยลุกเดินหายลับไปเหลือเพียงประโยคสุดท้ายที่กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใสเปี่ยมด้วยความคาดหวังลอยตามสายลมพัดวูบ ก, กลับมาข้าอาศัยอยู่ใต้ร่มงเงาของพุทธเขตมีพระภิกษสุสองบำรงเลี้ยงดูมิต้องแย่งชิงอาหารกอบรมกับเตระฉานหมู่ใด ข้าจาักมันฟังพระสวดมนต์สดับพระธรรมเทศนาอย่างจิตให้เป็นกุศลแม้มีกายอันน่ารังเกียดนี้เสียงฟ้าร้องครืนคืนดังกึงกก้องฝนหยาดเล็กๆค่อยโปรยปลายลงมา ลมพายุพัดกันโชคมาระลอกใหญ่แหวกพงหญ้าออกเป็นทางยาวมองเห็นปากอุโมงค์ซึ่งเคยถูกปกคลุมประดุดดังเส้นทางกรรมที่ถูกปกปิดไว้กำลังเปิดออกรอการตัดสินใจของบุรุษหนุ่มอวสานบทประพันธ์โดยเมรินเสียงอ่านและภาคโดย พงเพชรอมรศิษย์และอลิสาชตรานนท์